นี่มาดูมงคลข้อที่สิบสามต่อไปเลยนะการสงงครอบบุตรและภริยาภริยาเนี่ยมีอยู่สิบจำพวกแต่ว่าโดยรวมๆก็คือที่แต่งๆกันนั่ะนแหละการสงงครอบบุตรและภริยาคำว่าสังหะสังหะที่แปลว่าสงงครอบเนี่ยนะหมายถึงการทำอุปการะด้วยการยกย่องเป็นต้น ถ้าภรรยาเนี่ยนะก็สามีก็รู้จักยกย่องภรรยาบ้างการอุปการะนั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันมีความเป็นผู้จัดการงานดีเป็นต้นถ้ารู้จักยกย่องภรรยาภรรยาเขาก็ทำกับข้าวอร่อยปราั้นเถอะนันก็จะได้รับประโยชน์คือได้อาหาร อ, อร่อยอร่อยบริโภคนะรู้จักชมเขาบ้างรู้จักยกเขาบ้าง ไม่ใช่บอกอุย๊ยของเธออะไรก็ใช้ไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยนะก็เขาเสียกําลังใจหมดนะเนะ่ก็รู้จักยกย่องรู้จักชมเชยเขาไปบ้างมีสามีบางคนก็พูดอย่างนี้นะก็บอกว่าใครพูดเนี่ยนะในโลกนี้เขาทนได้หมดเลยแต่เมียเขาพูดเมื่ อ, อไหร่นะเขาเครียดทุกครั้งเลยเขาบอกงั้นบอกเธอนี่มันเงียบหน่อยได้ไหมเขาบอกงั้นเขาบอกเขาเขาเดือด ร, รำคาญที่สุดเลยถ้าได้ยินเสียงแม่บ้านเขาพูดนะอันนี้ อันนี้โยมที่ที่รู้จักเขาบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคำว่างัน้นก็เนี่ยคือข้อความที่ไม่รู้จักยกย่องภริยาความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์บุตรภริยาเนี่ยนะที่ทรงยกขึ้นแสดงไว้ในทิศเบื้องหลังเพราะถ้าถ้ากล่าวไปเนี่ยนะโบราณจริงๆแล้วภริยาส่วนใหญ่ก็เป็นทิศเบื้องหลังใช่ไหมแต่ในยุคนี้ก็ไม่ค่อยแน่เสมอไปแล้วใช่ไหม เปลี่ยนกันเดินเป็นบางเรื่อง <c oughs> บางเรื่องก็ภริยานำหน้าบางเรื่องก็สามีนำหน้าอย่างเงี้ยนะถ้าทํามาหากินภริยานำหน้าถ้าเครื่องเที่ยวเรื่องอะไรก็สามีนำหน้าอะไรเง้ย ก, ก็ว่าเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าว่าโดยรวมๆถ้าพูดแบบบบราณหน่อยก็ภริยาทั้งหลายก็เป็นทิศเบื้องหลังที่พระองค์ตรัสไว้ในสิงคาลกาสูตรว่าดูก่อนขึ้นหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยา อันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือหนึ่งยกย่องอนะรู้จักยกย่องเขาบ้างนะแล้วก็ด้วยการไม่ดูหมิ่นแล้วก็ไม่ไม่นอกใจเนี่ยนะมอบความเป็นใหญ่ให้นะยกให้เลยบ้านเนี่ยยกให้เป็นใหญ่จัดแจงเลยจะทําอะไรก็ทําไปกับข้าวกับปลายอยากจะทําอะไรก็ทําไปอย่างเงี้นะครับว่ามอบความเป็นใหญ่ให้ไม่ใช่เป็นเจ้ากี้เจ้าการทุกเรื่องอนะในเขตภาคเหนือเราเนี่ยมีสามีอยู่คนหนึ่ง อันนี้โยมเขามาเล่าให้ฟังเขาว่าเป็นสามีที่ยเอาแต่ใจตัวเองจริงๆแม่บ้านเขานี่จะทํากับข้าวใช่ไหมทำกับข้าวเลี้ยงกันแกชิมเข้าไปช้อนหนึ่งถ้ามันไม่ถูกใจนะัยกจานนะั่นแหละคว่ำใสศ่ศีสันแม่บ้านเน่ยนะแล้วแกก็ออกไปทานข้าวรอบบ้านนะั่นอะานะถาว่าถามว่าอย่างงี้มีไหมบอกนีโลกนี้มีหมดฮะเชื่อท่องเที่ยวไปมากๆแล้วจะมีจริงๆแหลนะนั่นนี่บางคนไม่รู้อํานาจ บ, บาตรใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้นะนะั่นนี ท่านก็แลวก็ที่สำคัญเนี่ยนะก็คือมอบเครื่องประดับให้ผู้การได้มงคลข้อนี้ใช่มมอบเครื่องประดับให้คือพูดถึงสามีภรรยากันเนี่ยนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันนานใช่ไหมตอนนี้ปฏิคะนิมิตของแต่ละฝ่ายเนี่ยใช่ก็ทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเกิดเกิดโทสะ เกิดโทมนัตเนี่ยเป็นประ จ, จำใช่ไหมแล้วเกิดบ่อยมากเลยเห็นไหมว่าตามฝาทั้งสองฝ่ายนะเราก็เป็นปฏิฆานิมิถิเทฆะเ ข, า, ขาก็เป็นปฏิฆานิมิถิเราเนี่ยตัวที่มันซ้ำๆๆๆๆๆมากๆเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอระยะหลังๆแล้วมีอายุแก่เท่าชราเนี่ยนะโดยมากไม่ค่อยมองหน้ากันนะะไม่ค่อยมองหน้ากันนะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยพูดกันเนะพราะมันซ้ํามากใช่ไหม แล้วมันหนีไม่พ้นใช่ไหม เ, <c oughs> เ, เรื่องการแก้ไขเนี่ยนะอขอให้ท่านมีศีลเถอะนะศีลนี่จะช่วยท่านมากเลยนะเพราะฉะนั้นศีลที่บอกว่าศีลเนี่ยนะเป็นเรื่องของการที่ละทำให้เกิดโทสะเนี่ยนะฮะเป็นความจริงครับเป็นความจริงถ้าท่านเวลาท่านรักษาศีลเนี่ยนะท่านจะต้องสมาทานทุกครั้งใช่ไหม เวลาท่านจะรักษาศีลในเรื่องข้อปานานเี่ยท่านเข้าไปในวงไหนที่เขาปานานเราก็ต้องสมาทานเออนี่เราระวังนะใช่ไหมตอนนี้ถ้ากับภรรยาเราหรือสามีเราเนี่ยนี่พอต้องเจอหน้าเราระวังนะวาจานะอย่างนี้ใช่ไหมและเราต้องสมาทานนะเราสมาทานบ่อยๆด้วยนะเราจะไม่พูดให้เขาเดือดร้อนเราจะไม่ไปขัดคอเขานะเราจะไม่ไปขัดคอเขานะถ้าไม่จําเป็นแล้วเราก็ฟังเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโต้แย้งอะไรอย่างนี้ใช่ไมฮะ ไอเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราตั้งไว้ได้นะโอ้โหมันเย็นอีกเยอะมันร่มเย็นอีกเยอะเชื่อผมเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีศีลจริงนะท่านจะต้องพบกับความสุขอันนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขากล่าวนะว่ากล่าวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยด้วยความหวังดีและด้วยเจตนาอย่างไรอันที่จริงนะสามีภรรยากันเนี่ยนะเขาทะเลาะกันเพราะหวังดีทั้งนั้นนะเชื่อไหมแต่พูดไม่ถูกกันละครับ ในบรรดาวาจาสุภาษิตนี่นะห้าอย่างเนี่ยนะไอตัวกาละนี่ยนะสําคัญที่สุดเลยเขาพูดไม่ถูกกาละทั้งทั้ที่หวังดีนะเออกลัวจะเป็นกลัวจะเป็นภัยบ้างนะกลัวระวังสุขภาพบ้างเนี่ยนะกลัวระวังความสะอาดบ้างนะโอ้ยระวังไปหมดทุกอย่างเธอแต่งตัวนี่แขนนี่เชื่อเธอพับนี้ไม่สวยต้องพับมิงี้อุตส่าห์มาพับให้เราเลยนะขนาดนีนน้ก็ถามว่าเออเขาปรารถนาดีนะแต่เราล้ำคาญอย่างไรนี้ ใช่ไหมอาจริถ้าถ้าเรามีศีลนะเราจะไม่แสดงเลยใช่ไหมเราเรางับไม่ได้่ไม่ร่วงไปทางกายทางวาจาแล้วมันอยู่กันก็มีความสุขใช่ไหมพูดใเรื่องส า, า, า, ามีภรรยามีเรื่องมากจริงๆนะมีเรื่องมากจริงๆเ ป, เป็นผู้มีประสบะการณ์มีผู้ประสบการณ์ต้องมีความอดทนผมต้องบอกเอพระภิษูเนี่ยนะขันติบารมีน้อยกว่าเรา คนมีครอบครัวนี่นะขันติที่จะระ ง, งับโทสะนี่ใช่ไหมครับอกุศลไม่มันเกิดเนี่ยนะครับนี่เป็นความพยายามสําคัญแล้วแรงมากหนักมากเลยนะไอการที่จะเพียนที่จะไม่อกุศลเกิดเนี่ยนะโอ้ไม่ง่ายเลยนะก<อ>็จะอดทนหรือจําทนก็ไม่ทราบใหม่ๆก็จําทนนะตนหลังเขาก็ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้ น, นท่านท่านพูดใดนะที่มีลักษณะที่สามีภรรยาไม่มองหน้ากันเนี่ยนะ ผู้ชายอยู่ข้างบนผู้หญิงก็อยู่ข้างเตแต่ชั้นล่างอะไรพวกนี้นะพยายามไม่อย่าให้เจอกันมากที่สุดเนี่ยมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภรรยาและสามีที่มีอินทรีย์ไม่เท่ากันนี่เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะอินทรีย์ได้แก่วิริยะสติสมาธิศสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อไม่เท่ากันนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งพูดสังเขสังคเเวสังเวควัตถุเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งฟังไม่ได้ครับนะฮะเมื่อฟังไม่ได้พอพูดไปไม่มีอะไรตอบมานี่ก็มันก็มันจะปฏิคฆาละก็มีก็มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะเวลาจะไปทํามหากินด้วยกันใช่ไหมสามีก็ศึกษาธรรมะก็จะพูดมรณานุสติภรรยาก็ดุเลยนี่เวลาไปทํามหากินก็ยังเอาเรื่องนี้มาพูดอีกเหลอมันนั้นก็คือถ้าอินทรีย์ไม่เท่ากันก็นับว่า ก็คือมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ใช่ไหมถ้าหากว่าคู่ครองที่อยู่ร่วมกันแล้วอินทรีย์ไม่เสมอกันเนี่ยนะพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้ยากไม่สับปายะนะแต่ว่า <c oughs> ทำยังไงได้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> ยังไงยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะฮะก็ก็ต้องแล้วแต่แต่ละคนนะจะหาอุบายเอานะเราทา <c oughs> ก็ทำปริญญาไปเหมือนกันเถอนนะ แต่ถ้าทำสำเร็จนะเยี่ยมอะก็คือเราตกลงกันก่อนนะว่าถ้าหากว่าเรามีศรัทธานะฮะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราเราจะไม่เราจะไม่โต้แยง้งเราจะไม่ไปขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งเลยเราส่งเสริมเลยนะฮะนะเราตกลงกันเลยนะเพราะว่าศีลก็ไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันสติไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะอ๋อคุยกันยากเหมือนกัน แต่ถ้าเท่ากันนี่ก็มีน้อยมากนะแต่ยังอะไรยังไรก็แล้ว แ, แ, แต่นะครับอย่าถึงกับขัดขวางกันบางท่านมีถึงกับขัดขวางกันนะไม่ไม่เห็นด้วยยังขัดขวางอีกไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนี่ได้ได้ไดไดทำกุศลเนี่นะมีนะ้ว ก, ก็มีไม่มากนักเหมือนกันนะฮะเช่นจะฟังเทปนี่ฉันจะดูทีวีแกไปฟังนู่นในนูน่นในหน้อง น, น้านู่นเนี่ยมีครับมีนะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับ คือว่าก็ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราสร้างขันติบารมีไว้เยอะๆดีนะไม่เหมือนพระพระท่านไม่มีโอกาส <c oughs> พระท่านไม่มีโอกาสนะครับเพราะเราเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ด้วยน ะ, ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมนึกฝากไว้นะว่าสามีภรรยาเนี่นะฮะถ้าอยู่รับหลังคนนะไม่อยู่ต่อหน้าชุมชนไม่อยู่ต่อหน้าในสังคมเนี่ยนะฮะโดยมากมักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่นะเราเรามานึกละอายใจตัวเองนะเวลาถ้าเราอยู่รับหลังนี่นะอยู่กันสองคนเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่เป็นมิตรกันเลยเนี่นะเรารู้สึกละอายใจเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะมันค่อยๆขัดเกลาไปนะเพราะฉะนั้นมีศีลเนี่ยดีมากนะมีศีลโดยเฉพาะศีลข้อไหนรู้ไหมวาจาในกุศลก็มบทสิบเนี่ยนะโดยเฉพาะวาจาในนั้นอนะ่ะควรจะระวังอย่างยิ่งเลยนะคร ต้องให้เป็นสัมมาวาจานแล้วก็ที่พระองค์ตรัสได้บอกว่าเออนี่นะต้องยกนอกจากจะยกย่องแล้วไม่ดูดูถูกดูหมิ่นแล้วยังต้องซื้อเครื่องประดับใช่ไหมเออให้โอ้โหตรงนี้สําคัญมากเลยสําคัญมากล้วผมละเลยมานานเพราะละเลยมานานไม่ละเลยไงเงินต้องสตังค์มาอยู่แก่เยอะเงินเดีก็ไปเผยแ<ร> พ, พร่ธรรมะ<พ>ที่พัตตะบองใช่ไหม ซื้อแล้วว่าไม่ไม่เหมาะที่จะให้แล้วเอาไปเก็บไว้เฉยๆอ่าใช่ก็ไปที่พัตตบองอ่ะนะะมาแกอยากได้มากเลยนะไอตัวไอ้บลูแซฟไฟไออะไรนะอะไรนะไพน์ลเออไพน์ลินน่ะแหมสีฟ้าเม็ดบลลมเลยนะแกก็อยากได้แต่แกก็ขี้เหนียวเหมือนกันนะนะแกอยากได้เป่าเปล่าอ่ะ เรารู้แล้วแกอยากได้มากใช่ไหมเราตัดสินใจเลยเราไม่เคยทําเลยเนี่ยเนี่ยไม่เคยท ำ, ำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าเลยแนละ้วบอกวันนี้ซื้อให้ภรรยาตั้งเม็ดหนึ่งเ <c oughs> นะียตัดสินใจเลยเอาถึงไม่มีแม่แต่งพกมานะตั้งหลายหมื่นบาท น, นะไ ม, ไม่ได้ม่ได้พกสตังไปอุตส่าห์นูเนี่ยนะเข้ามาอลันเนี่ยนะฮนะมา เ, มเบิกเงินที่นี่นะครับในสุดก็ได้ไปมาเม็ดบันลมเลยนะ โอ้โหดีใจได้ได้มงคลข้อหนึ่งนะความจริงก็สตางค์ของแกนั่นแหละแต่ว่าเราอนุญาตกะเขรียกว่าเร่องกระจำไปเลยว่าเอออันนี้นะซื้อให้แกที่ไหนนะโอ้โหดีใจนะโอ้โันี่ไปอวดกันนู้ดกันนี่นะพอไปถึงร้านหนึ่งก็บอกโอ้ยนี่ไพลินนี่มถ้าจะแกมั้งนะเพราะมันไม่มีราคีฝ่ายฝาอะไรเลยมันผิดธรรมชาติใช่ไหม โอ้ยเดือดร้อนอีกแล้วขับรถไปนัน่นไอ้ร้านเพชรในที่แถเพหร้านนั้นบอกเอาไปไปไปตรวจซะที่นู่นน่ะสถาบันอะไรก็ไม่รู้นะว่าเราขับรถไปอูไปตรวจนะ <c oughs> เออไม่ไม่ไม่ไมไมไมปลอมแท้แท้ว่าดีใจกับมาอีกที <c oughs> <c oughs> ไอ้ไมเม็ดนั้นน่ะร้ายมากเดี๋ยวก็สมมาัดเดี๋ยวก็โทรมานัดเราะเม็ดนั้นน่ะนะคือ เกี่ยวกับเรื่องสามีภระยาเนี่ยนะเท่าที่ได้ยินเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยยอมกันไอ้ปัญหาเนี่ยคืออีกฝ่ายไม่ค่อยยอ่อไม่ยอมมอบความเป็นใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสนออะไรขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นนักขัด <c oughs> น, นะนะค่อยมีมีหน้าที่เอาไว้ขัดค อ, อกันอย่างเดียว <c oughs> นก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแม้กระทั่งเจริญกุศล น, นะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ ไปกับผู้การกับคุณนายนี่ยสองคนนะวิธีก็สองวันเนี่ยเขาคิดเรื่องให้ทานเหมือนกันว่าเออเนี่ยที่นี่เราควรไปให้ทานคุณนายก็บอกที่นั่นควรไปให้ทานนะคือจะให้เหมือนกันเน่ะนะแค่แต่ที่ให้ต่างกันเท่านั้นแหละม า, มานั่งฟังอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็คิดดูว่าเออเนี่ยคือไม่รู้จักมอบความเป็นใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยนะยอมกันซะบ้างเลย ใ น, นนะการมอบความเป็นใหญ่ให้นี่ก็นะว่าสําคัญมากนะที่ผู้การว่าเมื่อกี้ก็ดีแล้วก็คือใครมีศรัทธาจะทําอะไรนะถ้าสิ่งนั้นเป็นความดีเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษก็ให้เขาทําไปเถอะเนี่ย น, นะเราก็ไม่ต้องไปก้าวไกลเขาสักทุกเรื่องหรอกเนี่ยนะก็ให้เขาเป็นใหญ่เถอะในเรื่องนั้น น, ะนั้นอ่ะนะที่เขามีศรัทธาเพราะเมื่อไร่ไม่รู้จะมีศรัทธาสักครั้งหนึ่งที่เขาจะได้ทําในสิ่งนั้นๆเนี่ย น, นะก็รู้นนะจักยอมกั น, น, นนะการยอมกันแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งถ้ามันไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรเนี่นะ เราก็ไม่รู้จะไปวางอำนาจบาทใหญ่อะไรไปทุกเรื่องลนะมุธิตาต่อกันบ้างนะนี่ยที่จริงอยู่ด้วยการส่วนใหญ่ก็ที่มีปัญหาที่เห็นเห็นกันก็คือไม่รู้จักมุธิตาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีอะไรสักอย่างก็แค่นั้นแหล <c oughs> นะ <c oughs> นะก็คือข่มขมกันอยู่ในตัวเนี่ยนะนะนี่มาดูต่อไปอีกหน่อยว่าส่วน ภริยาทั้งหลายที่สามีบำรุงด้วยสถานห้าแล้วก็จะอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าเช่นจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหามาขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทุกอย่างก็สามีที่ไม่ค่อยดูแลภริยาดีระดับหนึ่งพอสมควรเนี่ยนะโอ้โหนักการพนันเนี่ยตัวยงเลยแหละก็ หลายๆคนเนี่ยก็เป็นที่น่าน่าเห็นใจผู้ที่เป็นสามีไม่ใช่น้อยเพราะว่าภรยาบางคนเนี่ยนะหมกมุ่นในการพนันมากเล่นซะจนสามีนี่ไม่รู้ได้ทานข้าวทานปลาหรื อ, อยังไม่ทราบ น, นะเล่นหมกมุ่นบางคนเนี่ยเสียเงินด้วยเสียอย่างอื่นไปอีกต่างหากนะนะเพราะว่าไปติดข้องในการพนันเนะี่ยนะเส้นขาวคราวเนี่ยตามชนนบทจะได้ยินไม่ใช่น้อยเพราะว่าภรียนักพนันทั้งหลายเพราะไม่รู้จักรักษาทรัพย์แห่งสามี คำว่าสังคหะอีกในหนึ่งนะในที่สองสังคหะได้แก่การสงเคราะห์ด้วยการทานการให้ น, นะสงเคราะห์บุตรภริยาด้วยรู้จักให้เขาบ้างมีอะไรก็ให้เขาปิยวาจาใช้คำพูดที่น่ารักกับอีกฝ่ายหนึ่งอัถจริยาการบาเพ็ญประโยชน์อันเป็นธรรมะเนี่ยนะก็คือทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งคืออะไร เช่นยกตัวอย่างว่าการให้สเสบียงอาหารในวันอุโบสถเนี่ยนะก็คือทําให้เขาได้รับประทานอาหารได้เร็วขึ้นเพราะว่าสามีเอ่อภรยาบางคนต้องการรักษาอุโบสถแต่สามีไม่อนุญาตใช่ไหมมันก็ยากเหมือนกันนัมันมีปัญหาเหมือนกันใช่ว่าจะรักษาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าสามีสงเคราะห์ภริยาด้วยอนุญาตให้เขารักษาอุโบสถหรือว่าภริยาก็เกื้อกูลสามีให้เขาได้สา ม, มารถรักษาอุโบสถอันนี้ก็สําคัญ ทีนี้บางบางครั้งก็ให้ดูงานนักษัตรตระเริกะเนี่ยอันนี้ผู้การก็ได้ทำหน้าที่สงเคราะห์ อ, อันนี้ดีนะ <c oughs> ก็ให้ไปดูนักษัตรใช่ไหมไปดูอะไรนะผู้การากแสดงสีเสียงก็ไปผมอยู่ถึงที่เนียนะแต่ผมเชื่อว่าผมได้ไปดูไอ้ไล a ์แอนซาวที่กรุงเทพที่อยุธยาที่ไหนไหนมากกวท่านหลั ง, ลงท่าน <c oughs> จ ร, จริงๆแล้วผมเองไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนใจนะก็ภรรยาเขาสนใจก็ต้องไปเขาเออเขได้ไปดูดีๆเหมือนกันนะเช่นอะไรน่ะแถวแถวท่าวรดิษอะไรนั่นน่ะเนี่ยไรอันซาวแม่น้ำเนี่ยผมไปนะอายุทยาก็ไปนะโอ้โหหลายหลายครั้งนะแม้ที่สุรินทร์เนี่ยบ้านจังหวัดท่านี่นะไปดูเนี่ยไลอันซาวดูช้างดูอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วผมเองเขาไม่ค่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรอะสัพพโอเกออนพิริตสัญญา มันไม่ค่อยหมวนเลยเดี๋ยวนี้นะมันก็ไอเท่านั้นเนื้อเดือดรอนนะแต่เราอะไรก็ไอเท่านั้นไม่ได้เพราะมีอีกคนอยู่ข้างๆเขาเท่านั้นเมียใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องเอก็ไปก็ดีเหมือนกันเนะื้อก็ดีเหมือนกันอนะ <c oughs> ก็ความจริงในคําสอนทั้งทั้งรายนี่นะถ้าได้ทําตามนี่นะดีทั้งนั้นเลยมีข้อหนึ่งนะที่อาจจะไม่ถึงนะทฤษฎงต่ําเนี่ยนะคือการให้รางวัลกับผู้ที่อยู่ เป็นทาสกรมรมกรสมมติอนะไรผมหนวนนะเป็นคนรับใช้เป็นคนอนะไรเนี่ยถ้าให้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นรางวัลเข้าบ้างนี่นะโอ้มันมีประโยชน์มากเลยนะมันไม่ใช่กุศลอย่างเดียวมันได้มีประโยชน์ทั้งทั้งปัจจุบันเนี่มากเลยถ้าเราได้ทาตามที่พระองค์สั่งสอนไว้นี้นะลองได้นะดีทุกเรื่องนะเลยเมื่อเชลองดูดิเพราะว่าผมสังเกตดูนะตะก่อนนี่ยผม เ, เป็น เป็นนายทหารคนสนิทของผู้ใหญ่ถึงพลเอกเอ่ยนามท่านหน่อยพลเอกกฤษธิศีวลาเนี่ยนะท่านเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะพอถึงสินเดือนเนี่ยท่านจะเอาสตางเนี่ยใส่ซองเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะท่านแจกหมดไปตามยศตามคนไหนสําคัญตั้งแต่ตั้งแต่คนขับรถไปจนหมดเลยนะถึงพลเอกในพลเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านเนี่ยนะโอ้เจ้าหน้นผูกอกผูกใจนะแปลงไหมจงรักภักดีนะ ทั้งที่ก็ไม่ใช่มากมายอะไรนะเออเนี่ยมีที่ผลนะเพราะฉะนั้นคำสอนแต่ละคำสอนเนี่ยนะเรียกว่าขอให้ทำเถอะไม่ไม่เคยคนไม่เคยทำก็ลองทำดูเถอะดีจริงนะการการให้เข้าดูนักษาเนี่ยนะอนุญาตให้เขาไปเที่ยวก็ยังดีนี่ก็นับว่าพงพงพงสอนน่นะคิดดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอน เพราะว่างานบางงานเนี่ยนะสำหรับบางคนเนี่ยมันหมายความว่าชีวิตเขาเนี่ยถ้าเขาได้ดูสิ่งนั้นเขาจะภูมิใจเป็นอย่างมากใช่หถ้าไปห้ามเขาไปขัดขวางเขาก็ได้ศัตรูอีกทั้งชาติเหมือนกันดังนั้นก็บางอย่างถึงเรานี่ก็ไม่ขัดคอก็ยังดีนะไม่ขัดคอเ้าก็ยังดีให้เขาดูไปอะไรไปเพราะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอัธยาศัยเราไปไปทุกเรื่องอะนะก็ไม่ได้อยู่แล้ว ตอนนี้อันนี้ก็พูดตามพวกกลุ่มคารวาสนะแต่ถ้าเป็นพระพิสูจน์ก็จะธรรมะอีกแนวหนึ่งอ่ะนะอินซีสังโบนโภชเนมตามยุตานั่นอะไรก็จะเป็อีกกลุ่มหนึ่งละ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญนะนะกระทํามงคลในวันมงคลก็รู้จักมงคลบ้างอ่ะนะแล้วก็การโอวาทสั่งสอนในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันและภายภาคหน้านะการให้โอวาทการบอกกล่าวการตักเตือนอันนี้ถ้าเกี่ยวกับลูกนะเกี่ยวกับลูกก็ต้องรู้จักให้ โอวาทเพึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในปัจจุบันเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ที่แม้เทวดาทั้งหลายพึงนอบน้อมอย่างที่ท้าวสกะจอมเทพก็ยังนอบน้อมผู้ที่เลี้ยงดูภริยาเลยนะว่าดูก่อนมาตลีเครือขัดเหล่าใดทําบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภริยาโดยธรรมเราย่อมนอบน้อมเครือขัดเหล่านั้น การเลี้ยงดูภรรยานี่ก็นับว่าเป็นมงคล น, นะนะเพราะว่าไหนๆก็มันก็ชีวิตมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันจะไปไหนละ่ะก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะมันเมื่ออยู่อย่างนั้นเข้าทํำยังไงที่จะไม่สร้างปัญหาทําความสงบร่มเย็นให้ในบ้านแล้วยิ่งบางคนเนี่ยนะถ้าสามีทะเลาะกันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วลูกมจะเป็นยังไง นะโลกก็เดือดร้อนไปด้วยเนี่ยนะดีไมด่ดีถ้าลูกไปเข้าข้างฝ่ายแม่ก็ลูกก็ช่วยด่าพ่อถ้าลูกไหนที่เข้าไปเข้าข้างฝ่ายพ่อก็ช่วยด่าแม่เนี่ยนะลูกก็เลยบาปอีกบานเพราะฉะนั้นสามีภรรยาที่ได้อยู่ร่วมกันเนี่ยนะถ้าทะเลาะเบาะแวงกันมีปัญหากันมันกระเทือนไปถึงลูกด้วยนะ น, นักเข้าลูกบางคนก็กลายเป็นคนที่เกลียดพ่อเกลียดแม่ไปเลยก็มี นันพ่อแม่นั้นถ้าไม่ทำมงคลข้อสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรและภริยานี่ก็จะพาความอับประมงคลอย่างอื่นมาให้อีกตั้งมากเนี่ยนะทีนี้ต่อไปมงคลข้อที่สิบสี่อนาคุลาจกรรมมันตาการงานอันไม่อากูล การ ง, งานทั้งหลายมีกสิกรรมคือการทำนาทำไร่โครค ก, กรรมการเลี้ยงโควณิชกรรมคือการค้าขายเป็นต้นเนี่ยนะอาชีพใดๆก็ที่ทำๆกันน่ะนะเว้นจากภาวะอากูลมีการล่วงเลยเวลาก็ไม่ใช่ทำซะเลยเวลาจนเกินไปก็ไม่ใช่การทำไม่เหมาะและการทำย่อหย่อนเป็นต้นคือการงานทั้งหลายเนี่ยนะเอาเรียกว่าเหตุปัจจัยพร้อมที่จะให้กิจการนั้นสาเร็จใช่ไห ถ้าทําหามรุ่งหามค่ําโดยส่วนเดียวเนี่ยคิดหรือว่างานนั้นจะเสร็จก็ไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ทําย่อหย่อนเกินไปก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นการงานที่เรียกว่าทําให้มันพอดีต่อกิจการงานนั้นๆอัน น, นั้นเป็นมงคลทําให้พอเหมาะสมกับเรื่องนั้นก็ไม่ใช่มากจนเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ปล่อยประละเลยจนเกินไปถ้าเราเราสมมติว่าเปรียบง่ายๆว่าถ้าเราเป็นนักปลูกต้นไม้เนี่ยนะ ขยันมากรถน้าเช้ารดน้าเย็นรถน้าเช้ารถน้าเย็นเนี่ยต้นไม้เป็นยังไงเฉาตายถ้าสิบปีไปรถสักครั้งหนึ่งโอ้ตายไปนานแล้วนะ <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนะนะคือเราก็ทำยังไงให้มันพอดีอนะกิจการอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันถ้าขับรถถ้าเร็วเกินไปอาจจะไม่ถึงนนะช้าเกินไปก็ถึงนานเพราะฉะนั้นไอความพอดีนี่สำคัญคำว่าการงานอันไม่อากลก็คือรู้จักความพอดี แห่งการงานทั้งหลายว่าการงานนั้นนั้นมันพอดีแค่ไหนก็หาความพอดีอันนั้นให้พบเรียกว่าการงานอันไม่อากูลเพราะว่าถ้าทำได้แต่พอเหมาะพอดีเนี่ยนะโดยที่ไม่เกียรคร้านเพราะไม่ขวรพี่นาฏเพราะ เ, เหตุถึงพร้อมแห่งความขยันหมั่นเพียรอย่างที่อรียว่าการงานอันไม่อากูลแต่ก็มีนะบางคนเนี่ยทำมากทำซะจนฟุบอยู่กับ กับงานเลยอันนี้ก็อากูนเหมือนกันนะีแล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ยอมไปดูแลจนงานเสียอันนี้ก็งานอากูนอีกเหมือนกันแล้วก็เอาให้แต่พอดีนะใครที่รู้จักความพอดีได้นั่นแหละเรียกว่าการงานอันไม่อากรูนนั้นการจัดแจงการงานอันนี้ผู้ที่ผ่านงานมาเยอะๆนี่เขาจะรู้ดีใช่ไหมรู้ดีว่าแค่ไหนมันเหมาะสมในเรื่องนั้นๆการงานอันไม่อากูนนั้นอันบุคคลประกอบได้อย่างนี้ก็เพราะตน บุตรภรยาหรือธาตุและกรรมกรเป็นผู้ฉลาดตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ข้าวเปลือกและความเจริญในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันนี้จะเจริญงอกงามได้ก็อาสตรุจาักการงานอันไม่าอากลเนี่ยนะดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีธุระทำเหมาะคือทำแต่พอดีทำด้วยความมั่นย่อมได้ทรัพย์ท่านเน้นนะไม่ใช่ขยันอย่างเดียวใช่ไหมทาให้เหมาะกับเรื่องนั้นๆด้วยเนี่ยนะ ให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นนเพราะว่าขยันอย่างเดียวแต่ถ้าขาดความเหมาะสมก็อากูลแน่งานอันนั้นที่อื่นก็ยังตรัสอีกว่าผู้ชอบนอนหลับกลางวันเกลียดการขยันกลางคืนเมาเป็นประจำเป็นนักเลงครองเรือนไม่ได้นะก็บ้านแตกแน่นะขายบ้านกินเหล้าหมดแล้วประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลย พวกคนหนุ่มที่ทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นแล้วเนี่ยนะหาเหตุผลจนไม่ต้องทอําอ่ะ น, นะพวกกลุ่มนี้แหละที่เราว่าสำนวนว่าอยู่ครองเรือนไม่ได้ผู้ใดไม่สําคัญความเย็นและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทำกิจของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุข ก็คือรู้ดูความเหมาะสมการพิจารณาว่ากิจการนั้นนั้นควรแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นนี้นอันนี้ก็นับว่าสำคัญแล้วก็อย่างที่อื่นอีกก็สอนว่าเมื่อคนรวบรวมพวกขัพ์เหมือนแมลงพึ่งรวบรวมน้ำหวานพวกขัพย่อมสะสมเป็นกองเหมือนจอมปลวกที่ปลวกทั้งหลายก่อขึ้นฉะนั้นเพราะนั้นก็เอาอาจารย์พึ่งกับอาจารย์ปลวกเป็นอาจารย์นีนะ ว่าเออขนาดพึ่งนะตัวมันนี้เดียวก็ยังได้น้ําพึ่งเป็นร้อยขวดด้วยกันจอมปลวกตัวนี้เดียวเนี่ยนะใหญ่มาสามารถว่าอย่างหมู่บ้านหลายๆแห่งอย่างถ้าเป็นภาคท่าอีสานเนี่ยนะตรงไหนที่เขาทากระท่อมทําอะไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทาบนจอมปลวกนะเพราะว่าจอมปลวกมันจะก่อตัวขึ้นสูงมากสูงท่วมหัวเลยนะสูงท่วมหัวบางทีสองชั่วคนด้วยซ้ำไปนั้นเวลาใครจะสร้างกระท่อมก็ไปไป แผ่แผ่จอมปลวกเนี่ยแล้วก็สร้างกระท่อมสร้างบ้านสร้างเรือนได้เลยแหละเพรนจอมปลวกเนี่ยตัวนี้เดียวนะสามารถถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วห่างกันเยอะนะ <c oughs> เพราะว่าจอมปลวกเนี่ยสร้างสร้างตึกโมไม่รู้กี่ร้อยชั้นอ่ะ น, นะชั้นของปลือกนะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชั้นมันก็นับว่าสูงมากพถ้าผู้ที่รวบรวมทรัพย์ก็เอาอาจารย์ปลวกเป็นตัวอย่าง น, นะแต่ในขณะเดียวกันก็ ก็มีอีกพวกที่ถืออาจารย์ปลวกเป็นใหญ่เนี่ยก็ถือว่าถ้ารวบรวมอย่างนี้แล้วเราจะรวยขึ้นรวยขึ้นถ้าเราให้ทานนะเปรียบเหมือนน้ำมันหยดทีละหยดทีละหยดเดียวก็หมดเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ยอมให้ทานเก็บอย่างเดียวหนักๆเข้าทานก็ไม่ให้ใช่ไหมมันก็อันนั้นก็เกินตายอีกคือการแสวงหาทรัพย์ก็ควรจะรวบรวมประดุดพึ่งประดุดปลวกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักมงคลข้อต่อไปอีกทานนันจะใช่ไหม ทนมงคลเนี่ยท่านพระองค์วางไว้เรียบเรียงลำดับอย่างดีนะถ้าไปถือเอามงคลข้อใดข้อหนึ่งจนเกินไปก็เสียหายมงคลข้ออื่นที่ผ่านมาได้4มงคลนะมงคลข้อที่1การบำรุงมารดา 2. บํบำรงบิดา 3. ส, สงเคราะห์บุตรภริยา 4. การงานอันไม่อากูลเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วทั้งหมด14มงคล